Sala, tayo okay. damma ku sala, dasa damma aku sala, dasa d a m เราในช่วงนี้นะได้มนตรีการได้เจริญกุศลกันจะทํายังไงให้บุญเกิดได้มากอ้เนี่ยบุญให้เกิดได้มากอันนี้โรงงานตั้งแล้วตอนนี้ตั้งหมยได้ข่าวไปเปิดมาแล้วได้ได้ได้ประกาศแล้วเขาออโรงงานของบุญที่ฉันเปิดวันนี้ทําการ ผลิตบุญวันแรกได้พูดอย่างนี้ไหมวันเปิดงานแม่จะได้นะอ๋อก็นั่นแหละเป็นเงาโรงงานผลิตบุญเพอเอินไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นได้กระซิบบอก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมต้องบอกว่าวันนี้ใช่ไหมจะเปิดโรงงานผลิตเม็ดบุญของกุศลใช่ไหม แบบให้หาประมาณมิได้จะเริ่มผลิตบุญแล้วเชิญท่านทั้งหลายใช่ร่วมเป็นสมาชิกผลิตเม็ดบุญงองใช่ไหของโรงงานผลิตบุญนะานะนะนะที่ตรงนี้ทีนี้ลองเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ใครครวรเนี้ยแล้วให้ใหกุศลแลวเจตนาเกิดขึ้นให้มากเลยเี่ยตอนเนี้ย ใช่ก็เราถวายแด่สงใช่หมสงเนี่ยไม่ใช่บุคคลนะใช่มสงเนี่ยไม่มีคำว่าทูศีล น, นะไม่มีสงทูศีล น, นะไม่มีลองคิดดูทีเนี่ยอปมาโนพุทโธอัปมาโนธมโมอัปมาโนสังคโฆเนี่ยนี่เรากระทบพระรรตนาตรอ ย, อย่างเงี้ยปริมาณของเม็ดบุญถึงบอกว่าหาประมาณไม่ได้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 มเมล็ดของกุศลและเจตนาไหลอย่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไรเราจะทำโรงงานอย่างนี้ได้อันนี้อันนี้มันก็แค่วัตถุงไงสรุปออกมาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมไงนี่ไงใช่ไหมรูปารมณ์ัทธารมคันธารมละสาลมโพดธรรมพารมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นธรรมารม แต่ เ, เ อ, อะไรเป็นประธานถาวายเป็นพุทธบูชาแก่พระรัตนตรัยอะ่ะเอาลูกเรื่องเอาเสียงเอากลิ่นเอารสใช่ไหมเอาผลพระเรือเอาธรรมารมปารบได้หมดเลยแต่เอาอะไรเป็นประธานนอกนั้นก็เป็นบริวารขยายอย่างเดี๋ยวนี้นี้เชียนชัดเลยทีนี้อาศัยวัตถุนี่แหละเอาเป็นที่ตั้งเป็นโรงงาน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 ย่อมว่าเราเข้าออกเข้าออกพระบุญไม่ออกมาเนี่ยมันเรลำบากต้องให้ออกเข้าใจไหมเราเห็นตรงนั้นด้วยเนี่ยอันนี้ต้องชัดคนบางคนเนี่ยเขาไปทําแล้วเนี่ยมโนภาพเนี่ยที่ปรากฏอันปรากฏเนี่ยนะก็น้อมระลึกน้อมระลึกปริมาณเนี่ยปุพพะเจตนามุนจ่าเจตนาและอปรักษเจตนาเนี่ยที่มันไหลอ่ะบางคนกว่าจะเสร็จเนี่ยลองคิดดูที่ด้วยเลี้ยวแรงด้วยลําแข่งนะ ด้อาบเงื้อตามน้ํำนะได้มาโดยทําเป็นของชอบทำเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยปุบพาเจตนามุนจากเจตนาและอภรรยาเจตนาเหล่าเนี้ยคนเขาทําอย่างเงี้ยมันดึงปื้มบุญมันเกิดตรงท่านที่ปลื้มที่เป็นสมานาทันเป็นปีติปลาโมดปัสสถิความสุขใช่ั้มมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเอามาลึกเลยลึกไปเนี่ยเป็นจารณาหนุสติมันจะไปแล้วนะแต่เนี้ยเป็นญานุสติไปแล้วนะเนี่ยเขาจเจริญกันแบบนี้ เขาเจริญกุศลเนะี่ยเขาเจริญแบบนี้อเขาเขาเจริญแบบนี้ถ้าไม่เจริญอย่างนี้ยมันไม่สดชื่นหรอกไม่สดชื่นหรอกบุญเนะี่ยมันต้องได้จากการสดชื่นมันจะได้จากการปลื้มใจมันจะได้จากความสุขใช่ไหมโสมนัสสมาธิมันจะตั้งมัน่นตรงนี้นี่แหละอันนี้คือเราจะทํายังไงจากสีเสียงจิตรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมณ์เนี่ย ใช่มอะไรมันก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทรมารมณ์ทั้งนั้นแหละแต่ความให้ความสำคัญของเมล็ดผิดเมล็ดผิตเมล็ดบุญเนี่ยที่เกิดยิงต่อตือ้อต่อเนื่องจนชื่นใจอ่ะให้สังเกตดูที่ว่านางวิสาขาก็ดีมาอุบาสกต่างๆอานาถาินทิกาเป็นต้นเหล่านี้ยท่านจะคอยเช็คตรวจตลอดเลยตรวจตลอดว่าเอ้บุญบุญของท่านช่องไหนที่มันไหลตลอดเนี่ย พอเห็นนั่นตื่นเต้นไงพอเข้าอะไรเข้ามนสายที่เข้ามาสู่ในกระแสใจของท่านเนี่ยท่านก็จะเดินสายนั้นแหละเข้าความสุขได้ในสายนะเป็นอย่างนี้บุญเกิดแบบนี้แหละงั <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องเดินให้เป็นต้องไข้ัวรให้เป็นถ้างั้นไม่เกิดจะเป็นผลิตเนีเพราะว่าจริงๆแล้วขนาดจิตหนึ่งมันก็หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่เราต่อเนื่องได้ตลอดต่อเนื่องได้ตลอดเนี่ยเมล็ดของบุญ บุญเจตนาในเกิดขึ้นอย่างนี้มัน no เราได้เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาจะเป็นชื่นใจตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เอามาเริ่มเริ่มเริ่มสละเริ่มจีบุญจีวรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นจีวรไม่ได้ขนลุกอย่างเนี้ยอันเนี้เห็นไม่ได้เลยอย่างเนี้ยมันตื่นเต้นอ่ะอย่างนี้เป็นต้นมพอสละไปสละมาแล้วมันประทับมะเขาย้ายว่าเนี่ย เพราะสละบ่อยใช่ไหมแล้วก็น้อมแล้วก็คิดตลอดทั้งสีใช่ไหมย่างกตัวอย่างเช่นเห็นจีวรเนี่ยใช่ไหมถวายสีเป็นพุทธบูชาเป็นธงชัยของพุทธเจ้าใช่ไหมเอาสีเป็นประธานก็ได้เอาเสียงเป็นประธานบางคราวก็กลิ่นบางคราวก็รสพระท่านกนุ่งห่มอย่างต่างใช่ไหมก็คือสงแล้วถวายน้อมสงเนี่ยนุ่งหมไปแสวงหาอาหารก็ได้รสอาหารมาใช่ไหมทำมาลงก็โอชาไง โอชาที่เกิดจากวิตามินทั้งหลายที่พาท่านได้จากการสแสวงหาอาหารนั่นแหละหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของท่า น, นอุ๊ยถวายทำมารมเป็นประทานแล้วก็น้อมในหมดใช่ไหมจากอาม m i สบูชานี่แหละน้อมก็หาสู่ปฏิบัติบูบชาใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาศรัทธาต่างๆหล่านี้ก็ไหลที่เห็นก็เริ่มตื่นเต้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันกันนึกถึงอาคารนึกถึงอะไรต่างมก็ตื่นเต้นอันนี้แปลว่าอะไร แปลว่าผลกําไรมันเกิดนี่เราเช็คและตรวจสอบได้เช็คแล้วตรวจสอบได้ที่กระแสะใจของเราเองไงถ้ากระแสะที่บุญนี่มันเกิดใช่ไหมมันต้องมันต้องสัมผัสได้บ้างเล็กๆน้อย ๆ, ๆถ้าสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ยมันก็แห้งดบิบุญจะมไหมบุญมันก็แห้งดิ่นี่เป็นอย่างนี้งั้นตรงนี้ต้งบอกว่าตัวบุญจริงๆท่านขัดขับเน้นเจดนาขับกุศล ขับเน้นตัวกุศลเป้าหมายจริงๆอยู่ที่กุศลทีนี้ผลก็คือมันก็ไปได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ใช่มผลปรากฏกับภาวะวิภาวะปฏิปัจจุปถานังมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นแห่งภพชาติเป็นผลปรากฏให้สังเกตดูนะบอกว่า จิตของเขาน้อมไปในทางที่ต่ําถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นแปลว่าแม้เจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ม, ม, ม, มโนโปฏิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดนั่นเอง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 มนโนปฏิทานของบุคคลผู้ผู้ผู้มีศีลก็ย่อมหมดจดย่อมบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นจาตุมหาลาชกาเตาวติงสายามาดุสิตานิมานรารดีปารณิมมิสวาสวัสดีเป็นไปอย่างนี้จนถึงพรมจนถึงพรมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเขาได้สดับมาว่านะเขาได้สดับมาบอกว่า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 จิตของเขาก็ น, น้อมไปในทางที่ต่ําเห็นไหมไม่ไมาจะทานเลยนะเนี่ยเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นพระศาสดาก็บอกว่าข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมนโนปณิทานของท่านผู้มีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะความเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้หมายถึงอะไรเข้าถึงทานเขาเข้าถึงเพราะทานเป็นปัจจัยนี่ยนะ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 ในที่นี้ท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของเจริญพรหมวิหารและธรรมแล้วย่อมเกิดในพรหมโลกแต่ก็ต้องมีทานไหมมีทานมีศีลถ้าศีลไม่มีแล้วเจริญพรหมวิหารได้ไหมไม่ได้เนี่ยตรงนี้นะก็ทานย่อมเป็นเครื่องประดับเป็นบริวารท่านใช้คำว่าท an านังปณะสมาธิวิปัสนาจิตตสอลังกาโรปริวารโรโคติ แปลว่าอะไรแปลบอกว่าผู้มีจิตที่อ่อนโยนเพราะอะไรเพราะทานมีจิตอ่อนโยน่ะเพราะทานมาจากคำตรงนี้ท่านบอกว่าอันผู้ใดได้ไ ด, ได้ได้วัตถุใช่ไหมทานย่อมทําจิตให้อ่อนได้ทานเนี่ยทําจิตให้อ่อนได้อยมวารวัฏมีวัตถุชิ้น เอาวัตถุชิ้นนั้นไปมอบเป็นผู้ใดได้วัตถุแม้ผู้นั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนว่าเราได้แล้วจริงไหมโอ้เราได้อ่อนโยนเมื่อพิจารณานะี่ยเมื่อเราได้ที่จริงก็คือว่ายมว่าตอนตอนตอนอยู่ร่วมกับภรรยาครั้งแรกเนี่ยคิดว่าเป็นทานหรือวัตถุทานหรือวัตถุกามตัวนั้น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 พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อวทานแค่การฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกในชื่อวทานก็หมายความว่าเจตนาทานเนี่ยคือจิตที่คิดจะให้แต่เป็นการฝึกจิตคนที่ไม่เคยคิดให้เลยเนะี่ยคือเรียก่ยังไม่ได้ฝึกจิตนั้นสรุปแล้วก็คือเรื่องทานเนี่ยต้องฝึกมีอยู่สูตรหนึ่งนะก็คือเป็นฝึก การศึกษาก็อันเดียวกันฝึกหรือศึกษาเนี่ยทานย่อมทําจิตของบุคคลแม้ทั้งสองนั้นให้อ่อนโยนด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาจึงเรียกว่าการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานนะพระาศาสดาก็ตรัสว่าอะทานตะธัมมานังทานังอางทานังทันตะทูสกังเป็นต้นเนี้ยการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานการไม่ให้เป็นเหตุ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 จะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยของหอมด้วยประทีบด้วยคือเป็นต้นเหล่านีน้การที่คิดตรึกให้ควรบ่อยๆให้ปริมาณเม็ดของกุศลเจตนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยๆหรือมากๆแต่ละวันแต่ละวันนั่นอนะชื่อว่าฝึกฝึกจิตอยู่นะเนี่ยอันเนี้จะเป็นบริวารของศีลสมถาวิปัสนาสรุปท่านใช้คาว่าเป็นบริวารของสมถะและวิปัสสนาเป็นบริขารของสมถะและวิปัสนา สมถาวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ด้วยทานเกิดขึ้นด้วยทานใช่ไหมจะขานุสติจะบริบูรณ์ได้ด้วยด้วยทานเบื้องต้นนี่แหละถ้าไม่มีทานเลยจะไปเจริญจารคานุสติได้ไหมแปลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เคยให้เลยเนี่ยจะไปเจริญจารคานุสติได้ไหมเราก็โมทนาเอาเลยบางคนก็คิดเอาแค่โมทนาได้ไหม บางคนเอ๊ถ้าฉลาดชิดงั้นเราไม่ต้องให้ก็ได้แอบโมทนาเอาโมทนาฮะเ<ะ><ะ>พราะจริงจริงมทนาก็เป็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็ น, นอ่านุโมทนาส่วนบุญญาเข้าอยู่ในทานเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ไม่ให้ น, ะนี่นะ ก, ก็คือ อย่างกรณีที่ไปร่วมงานเน pues ี่ยไปร่วมงานอ๋อสามารถเอามาเจริญได้เจริญจาคาได้หมดเลยเพราะว่าบูชาทั้งหลายเนี่ยมาเจริญได้กรณีที่น้อมติ่งต่างๆเหล่า น, น nah. ี <for hard canal> ้ก oh, ็คือว่าเมล็ดบุญที่เกิดขึ้นฉะั้นคนที่ คนที่คนที่มีทรัพย์มีสิ่งของต่างๆหนเหล่านี้เขาวัดกันที่เมล็ดบุญที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้แต่นี่เราก็จะมองเห็นนะโอแต่เราจะทำยังไงให้เกิดปลาโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิได้ใช่ปริมาณตรงนี้เราจะคิดยังไงอันนี้อยู่ที่ความฉลาดและความที่ตั้งใจให้เกิด คิดยากไหมถ้าจะคิดให้เกิดเกิด <he> จิตที่เป็นสมนะจริงๆเนี่ยคิดยากไหมา<ด>ยากมหม <ST AR 1> ยากยากเลยเลยโอ้โหอันเนี้ยคือคือตรงนี้ต้องต้องเอาไปคิดเป็นจริงๆคิดยากไหมอ๋อ ทุกเลี้ยใช่ใช่ก็ก็เป็นอย่างนี้ว่าบางท่านเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรเราเห็นว่าเรามีวัตถุอันเป็นที่ตั้งเหตงการที่จะผลิตบุญเนี่ยมีหลายชิ้นใช่ไหมหลายอย่างบางท่านก็ถนะดถนัดที่รูปบางท่านก็ที่เสียง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 ดรดาจะทำยังไงอย่างเงี <temperatura> okay. ้ยถ้ารู้มุมอย่างนี้แล้วจะให้บุญเกิดทางไหนไม่สอนในหนังสือจะเอาเรื่องอื่นบ้างดิเหรอไม่เลยมองแต่มุมนี่คือคือตรงเนี้ยต้องต้องสามารถให้เกิดได้จริงๆเนี่ยใช่ไหมเพราะ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 เกี่ยวกับารพ้นทุกข์ถึงบอกว่าในคําว่าปฏิเขปะธรรมะธรรมที่ถูกปราบหรือละโดยโดยทานอกุศลได้แก่โลภะเป้าหมายจริงๆก็คือว่าต้องการทําลายตัวเนี้ยโลภะสนนละสังเนี่ยทําลายโลภะทําลายโลภะนั้นเพราะโลภะเนี่ยไหมสรุปเขาก็ตระกูลเดียวกันนะนะไอ้โลภะโทสารนี่นะนี่เนี่ยนี่เนี่ยมัชชริยะอยู่ดีกับโทสารเนี่ย ตระกูลเดียวกันนี่เอตระกูลเดียวกันก็หมายความว่าโลภะนี่ถูกลดทําลายลงเบดเสร็จนั้นนะ่ะพอไม่ยึดติ ด, ดพอไม่ยึดติดในวัตถุชิ้นนั้นมันก็ละมัริยะในวัตถุชิ้นนั้นมันไม่หวงก็งหมายมันย่างยี่ยงฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อตัดโลภะได้มันถึงจะถอนมัริยะได้ซึ่งบอกว่าตัณหาเกิดในวัตถุใดใช่ไหม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 ก็คือละนั่นเองฮะก็ละความยินดีละความยินดีละฉันทราคะคือความยินดีในในในรูปถ้าบุคคลก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสใช่ไหมอะไรมันประทับใจเราสังเกตที่สีใช่ไหมประทับใจหรือเสียงหรือกลิ่น หรือรถหรือรถเนี้ยก็ก็สรุปก็คือธรรมอารมใช่ไมธรรมอารมการเล่นการหัวการดีใจเราต้องฝึกทาลายตัวนี้บ่อยๆฝึกทาลายว่าใช่ไหมกรณีที่ว่า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 จะมีอะไรเนี่ยก็คือสีใช่ไหมพ่อก็คือสีคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผดุพะคะคือธรรมารมแม่ก็คือสีเสียงกลิ่นรสผดุพะคะและธรรมารมเพราะเราให้ทานเพราะการยึดติดเพราะการสละติดนี่แหละผลของทานเลยต้องมานั่งเฝ้ารัพย์อยู่เนี่ยวางาน น, นี่ยนี่ไงเราให้ทานไม่สะอาดไม่หมดจอดว่างน้นเพราะเราให้การด้วยการยึดติดต่อไปเราจะให้แบบสละคาด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 ในฐานะเป็นแม่ในฐานะเป็นป้าในฐานะเป็นยายเป็นยายเนี่ยก็ทำจารีศีลเดินกุศลศีลเดินทำไมพอฝึกจากทานกุศลใช่ไหมก็น้อมไปสู่ศีลกุศลที่เป็นเจตนาที่เป็นศีลใช่ไหมแล้วก็มีความว่ามีความรักความปรารถนาดีใช่ไหมแต่ว่าอะไรเข้ามาด้วยกรรมของเขาไม่ล่ะมาด้วยกรรมของเขาที่มาเกี่ยวข้องกันในฐานะมาอยู่ในฐานะเป็นลูกเนี่ย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 ถ้าเราน้อมอย่างนี้สิให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในการที่ไม่พลากให้ความปลอดภัยในการให้คําสัตย์คําจริงให้คำไพเราะอ่อนหวานให้ความไม่แตกแยกใช่ไหมให้คําไม่เพ้อเจ้อให้อัตถะให้ธรรมะแก่เขาให้ความไม่โลภให้ความไม่โกรธให้ปัญญากุศลกรรมบุมันเดินไหมล่ะนี่ไงมหาทานมันเกิดนี่กุศลศีลก็เป็นวารีตะ จากทานนะใช่ไหมการฝึกจิตเพราะการให้วัตถุสินค้าเนี่ยมันน้อมมาให้ไรนา ม, มาทำให้ไประดับศีลแล้วแต่นี้ยมันพัฒนาไหมแต่นี้ยกลับไปแล้วก็อ๊ยเราเป็นสาวิกะเราเป็นอุบาสกบาศิกาของพระผู้มีพระเจ้าเรานั่งใกล้ชิดพระาราชนัดใจพระาศาสดาก็สอนเราตลอดสิเพราะเราก็เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเราก็ต้องเสียบสายน้ำเกลือไว้ก็คือพระธรรมต้องไหลในใจตลอดเข้าใจป่าเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูก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 ใช่มก็ผลของกรรมใช่ไหมเราจะเฝ้าได้ไงก็เฝ้าไม่อยู่จะเฝ้าอยู่ได้ไงแต่ถ้าเราตั้งท่าทีวิธีคิดอย่างนี้ได้ทั้งทานได้ทั้งศีลแล้วก็ได้ทั้งภาวนาต่อไปได้ทั้งภาวนานี่สติปัฏฐานนี่สติปัฏฐาน อาใช่ป้ใช้ปฏิบัติไหมแบบนี้นี่เนี่ยปฏิบัติเลยและเนี่ยให้กุศลเกิดขนาดนี้แล้วไม่ปฏิบัติได้ยังไง <c oughs> อยากสูตรปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่วางไม่วางวิธีคิดอย่างเงี้ยมันก็ตั้งหลักไม่ถูก <c oughs> ใช่ไมแล้วแล้วแล้วเมื่อไหร่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 ถ้าคิดไม่เป็นมันก็ปริมาณกุศลก็เกิดได้ไม่ยาวหรอกนิดเดียวก็หกขเมนล้มนิดเดียวก็หกขเมนล้มใช่ไหมมันก็ล้มนี่เป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าปริมาณของกุศลทำที่ได้รับอนุญาตจากทานกุศลให้เกิดขึ้นก็อะโลพาไงฉนั้นถึงบอกว่าต้องทําลายที่ตั้งแล้วก็เปลี่ยนย น, นิมิตเสียไอ้นิมิตความเป็นโลกน่งมันยึดติด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 เรียกแล้วตัณหามันกินใช่ไหมเพราะตัณหามันคุ้นเคยอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมอย่าลืมเนี่ยทิมบอกวิธีแบบเนี้ยตัณหามันเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเผื่อไปเจริญตัณหาอีกทั้งที่เป็นธรรมะที่ควรละเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเรียนรู้อะไเร็วมากเร็วมากปัญญารู้อะไรมันแอบสกิดรู้นั่นแหละ หน้าข้าก็มันรู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่พัฒนาอีกกระแสจิตเนี่ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยันดักซ้ายดักขวากันอย่างเงี้นต้องระวังต้องเราไอนตัญหานี่เป็นแบบนี้มันเรียนรู้เร็วมากเรื่องโลกี้ธรรมเนี่ยง่ายมากสําหรับมันมันคล่องมากก็เป็นอา ร, รมณะปัจญาแก่ตัญหาหมดเลยใช่ไหมโลกี้ธรรมนั้นหลักแค่คิดแค่เนี้ยมันแอบยิ้มมัวรอดแล้วบางทีอเจ้าไปคืออย่างนี้เอามาเนี่ยไปนั่งสลดใจ นั่งคุยกันกันกบพระคุยไลยคุยมาแล้วเขาแล้วดำหลีไงรู้ไหมไม่รู้ก็คือว่าไงเอ๊แล้วคือพยายามระดมสองปีสามปีมาเนี้ยมาระดมมาที่พยายามจะตั้งใจอ่ะปราถนาเขาคิดให้เป็นจเจริญกุศลให้เป็น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 ถามว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตของเขาจะลําบากเนี่ยเขารู้ไหมแล้วเขาทําอะไรกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะคิดให้ถูกใช่ไหยญาติทั้งหลายอะไรต่างแต่เขาก็คิดไม่ถูกเขาก็พยายามจะทํำแต่มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอยู่เลยเพราะกุศลมันต้องได้มันต้องเข้าใจจริงๆเนี่ยมันถึงจะเดินเป็นใช่ไหมเขาก็เดินได้ไม่ยาวแล้วก็เดินไม่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะคุยคล่องมากคุยได้คล่องมาก ถ้าให้เขาคุยเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยนะที่ไม่เกี่ยวกับบุญเนี่ยนะเขาคุยคล่องเลยแต่นี้เอาเอาผ้าให้เนี่ยนะเอาผ้าเอาอาหารเอาคุณลมคิดที่ให้เป็นทานเอาพูดมาจะถวายทานถวายรูปเป็นทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเอาธรรมารมน้อมถวายให้เขาพูดให้เขาพูดออกมา พูดไม่ได้อธิบายทีละคำทีละคำเอาพูดเอาไม่ได้แต่คุยเรื่องอื่นคล่องจะคุยเรื่องนี้ไม่คล่องคุยไม่ออกโอ้โหอันนี้หนักเลยเนี่ยเราก็นึกเลอยอจะทำยังไงเพียรพยายามเขาจะไปเรื่องอื่นเรื่อยบอกโอ้ยถ้าเรื่องอื่นนี่เรไปเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้มันอึดอัดเขาขึ้นมาเลยเขาจะนึกยังไงเนี่ย เอาให้วาดน้ำให้หน่อยสิแล้วก็น้ำน้ำก็เลยเป็นพิธีน้ำกันทุกวันเนี่ยน้ําันอาสวาขวายวางนิพพานนปัจยโยโหตสุสาธุสาธุคุยแล้วอื่นก็ลืมหมดเลยแล้วเขาจะไปยังไงชีวิตเขาจะไปยังไงใช่ไหมแล้วก็มามองดูทีเนี่ยเราก็พยายามจะระดมตั้งชมรมเผยแผ่ว่าจะช่วยกันจะรบาน แต่แต่ก็ยังมีมุมเนี่ยอย่างนี้เขาถือว่ามีมุมมีมุมคิดยังมีมุมคิดมีมุมวิจัยแต่บางคนไม่มีมุมเลยนะเขาู้จะคิดยังไงแล้วความคิดเป็นโลภะตัวสะแวดล้อมเขาก็ไม่รู้ <dem ont> เขาไ ม, ขไม่รู้จริงๆ <dem ont> <man> ก็ใช่เขาก็มาทำกันเนี่ยในขณะทำไปก็ <man> <man> คือว่าเขาไม่รู้ว่าในขณะ ท, ขที่เขาทำบุญนะมันตามแวดล้อมได้บาปถ้าเขาเดือดร้อนไง <man> บุญเหล่านี้ให้ผลเขาเนะี่ยมีกําลังอ่อนแล้วก็รู้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงคือเรารู้จะเรารู้เหตุมันก็ต้องไหมเหตุที่ทําปุ๊บมันก็ทํามันก็เห็นผลในอนาคตว่าเขาจะต้องเดือดร้อนก็จะต้องลําบากเขาจะต้องทรมานก็คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดาเนี่เพียรพยายามมาเนี่ยเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตเนี่ยพอพระทำคําสอนของพระศาสด า, าก็ยังมีไหลอ ย, อยู่ยังขนาดนี้อย่างเงี้ยท่านในการต่อไปนั้นอะไรจะเกิดขึ้น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 เราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจใช่ไหมก็นั่งมาคิดอาจจะอธิจะอธิบายยังไงจะนำเสน อ, อยังไงเอาวิธีไหนคำไหนอย่างไรก็เอามาหามุมอย่างนี้ก็มามาพิพจารณามันก็เกี่ยวข้องรอบๆเราทาั้งนั้นใช่ไหมตรงนี้อ้มีใครจะถามอะไรอีก ตรงนี้เขาเรียกทำ ท, ท, ำ ท, ทำที่ทาที่ทานกุศลอนุญาตเนี่นะก็ได้แก่อโลภะอบปาเทตับพระธรรมะ ก, ก็คือทำที่ทานกุศลทำให้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นมรรคต่ำผลต่ำสามนี้มุ่งหมายอำนาจทานกุศลที่เป็นอุปถามพกสติตรงนี้เขาบอกว่าในชั้นของคำสอนในชั้นของคำสอนก็คือว่า ในสุดจริงๆทานนกุศลต่างๆเหล่าเนี้ยที่จะเป็นจิตตาปริขาลังเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะที่ในในคำสอนตรงนี้ที่ท่านกล่าวก็ไว้ในในชั้นของอัจฉริยะที่ท่านขยายไว้อะที่เป็นปริขาละเนี่ยเป็นบริคารแห่งจิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะอันนี้ท่านขัดเน้นเกี่ยวในเรื่องของคําว่าจิตตาลังกาละจิตตาปริขาละลังเนี่ยนะบุคคลให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับ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 ท่านถึงเรียกว่าเป็นมหาทานมาทานในที่นั้นก็คือว่าที่ท่านกล่าวถึงบอกว่าพระอริยาสาวกเว้นแล้วจากปาณ า, าติบาทย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ไอ้ตรงนั้นเน่ะนี้แหละที่คิดค่อนข้างยากต้องใช้ความคิดปริมาณต้องตั้งยากนิดนึงก็คือกรณีที่ว่าเอ๊ะเราให้อภัยแก่สัตว์ได้ยังไงเออเราไปให้ชีวิตเขาเนี่ย ทั้งๆที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปคิดค่าทําไมต้องไปคิดอย่างนั้นไว้การคิดในลักษณะเนี้ยเป็นการป้องกันไว้หมดเลยแล้วเป็นการให้เลยนะผลเนี่ยมีหาประมาณไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นการทําให้มหาทานของเรานะี่ยเดินแล้วก็เกิดขึ้นมหาทานที่เป็นกุศลตรงเนี้ยนะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นข้อที่อริยาสาวกท่านท่านได้กระทำํำก็ไว้ตรงเนี้ยนะ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 ทรัพย์สมบัติของเขาก็จงเป็นของใครองเขาไม่ทรัพย์สมบัติของเขาจงเป็นของเราหนึง่งลบมาไ ป, ไปพอเห็นปุ๊บขึ้นมาก็เริ่มอพูดเรียบเคียงได้นะเป็นพระเนี่ยใช่ไหมเป็นพระเนี่ยถ้าเอาที่ถ้ามาไม่มีข้อเนี้ยมาพูดเรียบเคียงอเออเผื่อที่จะได้บ้างอะไรเงี้ยเออก็พูดเรียบเคียงไปเรื่อยๆพูดนะบริจาคนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยไม่ใช่ต้องการ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 ตั้หาไม่คิดเร็วมากกว่า น, นั้นเราไม่พอปัญญาออกมามาทคิดแค่นี้เ<ม>ห็นไมปัญญามันต้องสามารถออกมาวิจัยพิจารณาได้ว่าบุตรภรยาของท่านผู้ใดใช่ไห ม, มก็เกี่ยวข้องแล้วควรเป็นของท่านบุ้คนเหล่านั้นเราจะไม่ทาให้เขานั้นเกิดการแตกแยกเราจะไม่ไปพลากของเขามาไปช่วงชิงออกมาด้วยการกระทาใดๆเลย แล้วก็ยังน้อมเป็นเมตตาด้วยนะปรารถนาให้เขาเป็นอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกใช่ไหมมีความสงบมีความร่มเย็นนั้น น, นฉะนั้นการน้อมจิตการอาทิตย์ฝึกไปในลักษณะนี้อะเราน้อมในการที่จะให้คำอ่อนหวานให้คำสัตย์คำจริงได้ไหมน้อมได้ไหมตั้งเจตนาก่อนว่าเราจะให้คำสัตย์คำจริงใช่ไมเราจะไม่พูดเท็จใช่ไหม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 ถ้าตรงนี้ไม่เดินแล้วสมถาวิปัสสนามันไม่คล่องมันจะคล่องยังไงก็เดี๋ยวเนี้ยโลภะมันออกแรงทุกวันมันเป็นปัจจัยใกีการพูดเป็นปัจจัยใกีการกระทําเป็นปัจจัยใกีการคิดโทสะโมหะมันก็ออกแรงเป็นเหตุถึงการทําการพูดการคิดการสอนการพูดการจาทั้งหลายที่พูดกันคล่องๆทั้งหลายเนี่ยโดยมากไม่ใช่กุศลเราทําทําไมมันเบียดเบียนตัวเราเอง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 คนลืมตัวก็ทำไมเอาผลของกุศลกรรมมาทำอาอกุศลกรรมเ้าเนี่ยนะก็เตือนตัวเองอย่างเงี้ย เ, เราลืมตัวไหมวันเนี้ยเราลืมตัวไปใช่ไหมก็ตรงนี้ผวังเนี่ยนะผวังตัวเนี้ยที่ได้มากระแสของกรรมมาชรุปสรุปก็คือขันห้าเนี่ยนะที่เป็นกระแสลงสู่ผวังแต่ละขณาที่รักษากระแสของพบอยู่เนี่ยผวาตัวเนี้ยมันเป็นผลของกุศล เป็นผลของกุศลใช่ไหฉะนั้นเมื่อเป็นผลของกุศลแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราได้บ้านหลังเนี้มาจากบุญบ้านหลังเนี้มาจากบุญใช่มเมื่อได้มาจากบุญเสร็จแล้วเหมือนเราได้สมบัติมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็บอกไว้อย่าเอาสมบัติของแม่ไปผานอย่าเผาทิ้ง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 ต้องมนสิการใหม่แล้วเขาเรียกว่าไหมได้สมบัติของแม่ขายทิ้งเผาทิ้งเขาเรียกอย่างไงเนี่ยไม่รู้คุณของแม่โอ้โหลำบากเลยอันนี้พระพคำสอนตรงนี้มามาในมงคลนะเราเรียนมงคลกันแล้วก็เรียกอากาศตันอยู่ใช่ไหม ไม่รู้คุณของบุญลองไปดูสิเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้มีหรือเปล่ามงคลมีใช่ไหมมีอยู่ข้อหนึ่งกรตันอยู่ถ้าถ้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้คุณไงว่าจริงๆรนีนยเราเรามาจากบุญใช่ไหมมาจากบุญไม่รู้คุณของบุญตรงนี้ก็ามาพิจารณาอย่างเงี้ยจะได้รู้สึกโอ้แล้วยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยมาสมาเรามาเป็น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 เดี๋ยก็มอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายชีวิตใช่ไหมก็เป็นเป็นเป็นสมบัติของพระเจ้าอพอเป็นสมบัติของพระเจ้าเอาอยู่แล้วเราให้บาปเกิดในสมบัติของพระเจ้าอยู่แล้วยังเงี้ยก็โอ้ไม่คิดอีกไม่ควรเลยไม่ควรตรงเนี้ยว่าไงอ่าอ่า